วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันปฏิบัติภารกิจที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราก็คือภารกิจทางด้านจิตใจภารกิจที่จะได้มาปลดปลื้งจิตใจให้ได้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติภารกิจนี้แทนเราได้เราต้องปฏิบัติภารกิจนี้เองโดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ นำทางถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่มีวันที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจนี้ให้ลุล่วงไปได้เราจำเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ผู้รู้ทางที่จะปลดปลื้องจิตใจของเราให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตนี้หรือพบี้ชาตินี้จึงถือว่าเป็นพบชาติที่อ มงคลหรือโชควาสนาที่ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำพาเราไปถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้แล้วอยู่ไกลจากที่เราเกิดและไม่ได้รับรู้ว่ามีพระพุทธศาสนา อยู่ในโลกนี้เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะต่อยโอกาสอันดีงามนี้ให้ผ่านไป โดยที่เราไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยนานๆานจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุแล้วก็มาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกนานๆสัตว์โลกอย่างพวกเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ได้มาพบกับ พระพุทธศาสนาถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้เป็นมนุษย์อย่างที่พวกเราตอนนี้เป็นกันอยู่แล้วได้ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นไปภายในภพบนชานี้ได้เลย อย่างที่มีผู้ที่ได้ปฏิบัติกันมาแล้วได้สําเร็จภารกิจนี้กันมาแล้วเป็นจํานวนมากแต่ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ให้ลุล่วงไปได้ภายในชาตินี้และก็จะต้อง ปฏิบัติไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่าเราจะสามารถาปฏิบัติภารกิจนี้ให้ลุล่วงไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงต้องบำเพ็ญมาเนื่องจากไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา จึงต้องบำเพ็ญปฏิบัติตามลำพังไปจนในที่สุดก็ได้ตัดสรบปรเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา <c oughs> แต่ผู้ที่จะสามารถบำเพ็ญและปฏิบัติให้บรรลุได้ด้วยตนเองนี้จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความ ยิ่งใหญ่ในการสร้างบุญบารมีต่างๆเช่นทานบารมีศีนบารมีเนคข ม, มะบารมอีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีอธิษฐานบารมี เิรยบารมีศัจจบารมีและขันติบารมีผู้ที่จะมาปฏิบัติภารกิจนี้ให้บรรลุได้ด้วยตนเองนั้นจำเป็นจะต้องมีความเก่งกาศมีความสามารถในการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการนี้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเก่งกาจสามารถก็จาเป็นจะต้องรอให้ได้พบกับพระพุทธศาสนาให้ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะสามารถเอาสายบา ร, รมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเครื่องดึงเราให้ได้หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็ถึงแม้ว่าสำหรับบางท่านที่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถปฏิบัติให้ภารกิจที่จำเป็นนี้ที่สำคัญนี้ลุล่วงไปได้มีเพียงไม่มาก ที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จได้ที่ท่านเหล่านี้สามารถทำให้สำเร็จได้นั้นก็เป็นเพราะว่าท่านมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวของท่านว่าจะสามารถบำเพ็ญปฏิบัติ ตามพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่มีความเชื่อมัน่นก็จะทำให้ไม่สามารถทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลามเวลาให้กับการปฏิบัติกับการบำเพ็ญเพราะจะมีความคิดว่าปฏิบัติไปอย่างไรก็จะไม่สามารถบรรลุ ภารกิจอันนี้ได้ดังนั้นอุปสรรคที่จะทำให้ผู้ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่คือไม่สามารถบรรลุถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้นั้นก็อยู่ที่ทัศนคติของตอนเองเท่านั้นเองอยู่ที่ว่าตนเองมีความเชื่อมั่น ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองหรือไม่ดังนั้นพวกเราอย่าให้ความคิดอย่างนี้คือทัศนคติอย่างนี้มาปรากฏในใจเราคือไม่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองว่าจะสามารถปฏิบัติ ให้บรรลุได้เพราะถ้าเรามีความคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับภารกิจอันนี้อันนี้แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้ผู้ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ไม่สามารถบรรลุภารกิจอันนี้ได้แต่ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองว่าสาจะสามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้เขาก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเขาให้กับการปฏิบัติและบรรลุผลได้ นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ได้พบกับภาษาผู้ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาที่ได้บรรลุผลและไม่ได้บรรลุผลไม่ได้อยู่ที่พระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีครบสมบูรณ์แล้วทุกอย่างอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ ว่าจะมีมีคุณสมบัติสมบูรณ์ต่อการบรรลุมากผลนิพพานหรือเปล่าเท่านั้นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติเพึงจะต้องมีในการที่จะได้บรรลุผลของการปฏิบัตินี้ก็คือ N45 หรือพระหนี้เอง N45 ก็คือ ปรอินทสี่ห้าหรือประห้านี้ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่คือคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้ได้บรรลุผลของการปฏิบัติ ดังนั้นถ้าเรายังมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่อ่อนอยู่เราก็ควรที่จะหมั่นจเจริญหมั่นสร้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้แก่ก็ขึ้นไปตามลำดับจนกลายเป็นภาระห้าขึ้นมา จากน4 5ก็ให้กลายเป็นพาราห้าขึ้นมาตอนนี้เรามีน4 5คือเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> เรามีวิริยะความอุตสาหะภาคเปลี่ยนที่จะศึกษา <c oughs> ที่จะปฏิบัติตาม <c oughs> เรามีสติพอที่จะควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดีคือ ให้อยู่ในทานในศีลในภาวนาได้เรามีสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่กับการบำเพ็ญทานศีลภาวนาและมีปัญญา <c oughs> ที่ตั้งอยู่ในอริยสัจสี่และในไยรัณกคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงแต่ว่ายังเป็น เป็นส่วนที่ยังไม่มีกำลังมากพอที่จะทำลายากิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่เป็นสิ่งที่กิดขวางการบรรลุของการปฏิบัติของพวกเราเราจึงต้องสร้างศรัทธาวิรยิยสติ สมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้มีกําลังมากขึ้นไปเรื่อยๆศรัท ธ, ธาก็คือศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระอ ร, ริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ได้บําเพ็ญได้ปฏิบัติจนสามารถบรรลุถึงการสิ้นสุด ของความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายมาแล้วอขอให้เราเชื่อในคำสอนของท่านที่สอนให้เราทำทานสอนให้เรารักษาสิงสอนให้เราเ <c oughs> จริญสติสมาธิปัญญา ที่เป็นการเจริญจิตตะภาวนาคือการพัฒนาจิตใจให้เจริญลุ่งเรืองให้สูงให้สงบให้สะอาดให้ปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนี่คือวิริยะคือความภาคเพียนที่เราจะต้องหมั่นภาคเพียนกัน ให้มากขึ้นไปมันทําทานให้มากขึ้นมันรักษาศีลให้มากขึ้น <c oughs> มันภาวนาให้มากขึ้นด้วยการหมันจเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับมันนั่งสมาธิเท่าที่จะมีโอกาสมีเวลานั่งได้แล้วก็หมันจเจริญปัญญา เวลาที่ออกจากสมาธิมาให้พิจารณาตายลักอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาอาริยสัจ ส, สี่ทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราหมั่นเพียรตามที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้สั่งสอน เราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่เป็นผู้สร้างความทุกข์ผู้ที่เป็นผู้สร้างภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันจบวันสิ้นนี้ได้อันนี้คือความวิริยะความอุสาหะ ความภาพเพียขอให้เราทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจของเราให้กับการเพียนทําทานเพียนรักษาศีลเพียนภาวนากันอย่าไปเพียนทํางานทางด้านโลกนอกจากงานที่จําเป็นเท่านั้นก็คืองานดูแลรักษาเลี้ยงดูอัตภาพร่างกาย ให้อยูเ่เป็นปกติสุขก็คืองานเกี่ยวกับการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายหาอาหารหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องนุ่งหม่มอันนี้เป็นงานที่จำเป็นจะต้องทำแล้วก็เป็นงานเท่านี้ ไปงานเท่านี้ที่ต้องต้องจะทำงานอย่างอื่นนั้นไม่ควรจะไปทำให้เสียเวลาคืองานหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายงานหาสมบัติข้าวของเงินทองมากต่อความต้องการของการเลี้ยงดูร่างกายงานหายศถาบรรดาศักดิ์หาตำแหน่ง ต่างๆ ง, งานหาความสรรเสริญยกย่องเยะเยินยองานเหล่านี้ไม่ได้เป็นงานที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไปแต่จะเป็นงานที่จะเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปภายในใจนี่คือสิ่งที่เราจะต้อง แยกแยะแล้วพยายามควบคุมบังคับจิตใจของเราอย่าให้ไปให้เดินไปในทางที่ผิดอย่าให้เดินไปในทางที่จะสร้างความทุกข์สร้างภบชาติให้มีมากขึ้นไปขอให้เราบังคับจิตใจของเราให้เดินไปในทางที่จะลดละความทุกข์ลดละพบชาติ ให้มีน้อยลงไปและให้หมดไปในที่สุดเราก็ต้องบงังคับให้มาในทางบําเพ็ญทานศีลภาวนานี้เท่านั้นถ้าจ้อเป็นจะต้องไปทำมาหากินก็ทํามาหากินเท่าที่จําเป็นเท่านั้นพอมีรายได้พอมาจุนเจือรักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่ไปวันวันึังได้เมื่อ โดยไม่ทุกยากลําบากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วอย่าไปสรรหาปัจจัยสี่ที่วิจิตพิสด า, ารเช่นเครห์หาดอันใหญ่โตเสื้อผ้าอาภรทท ร, าาาารที่วิจิตพิสดารที่มีราคาแพงๆอาหารที่วิจิตพิสดารที่มีราคาแพงๆและยารักษาโรค ชนิดต่างๆที่มีราคาแพงๆเพราะจะทำให้ต้องเสียเวลาเวลากับการหาสิ่งเหล่านี้มาจะทำให้ไม่มีเวลามาจเจริญทานศีลภาวนากันนั่นเองการอยู่ของนักปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงจะเป็นจะต้องอยู่แบบมากน้อยสันเดิล มากน้อยก็คือมีเท่าที่จำเป็นจะต้องมีสันโดษก็คือพอยินดีกับตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าจะไม่พอแต่มีเท่านี้ได้เท่านี้ก็พอใจอย่างนักบวชทั้งหลายอาหารบินตบายก็ยินดีตามมีตามเกิด ที่อยู่อาศัยก็ยินดีตามมีตามเกิดมีกุติอยู่ก็อยู่ไปไม่มีกุติมีโคนไม้ก็อยู่ตามโคนไม้ไปไม่มีโคนไม้อยู่ตามถ้ำไปมีเรือนร้างก็อยู่ตามเรือนร้างไปขอให้พอใจยินดีกับสิ่งที่หาได้ตามกำลังของเรา เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาสิ่งที่ไม่สามารถที่จะม า, าปลดเปลื้องจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่จะปฏิบัติสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์จึงจำเป็นจะต้อง ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการแสวงหาปัจจัยสี่ของทางร่างกายอย่าฟุ้งเฟอ้อ uh huh. เหอเหิอย่าหลงไปกับความสุขเล็กๆน้อยๆทางตาหูจมูกนิ้นกายความสุขจากการได้ดื่มได้รับประทานความสุขจากการได้มีที่อยู่อาศัยที่วิจิตพิสดารความสุขที่ได้จากการมีเสื้อผ้าสวมใส่ ที่วิจิตพิสดารและความสุขที่ได้จากการมีอยู่มียาที่มีราคาแพงๆที่สามารถที่จะเยียวยารักษาชีวิตได้ให้ให้ให้นานขึ้นไปหน่อยแต่ไม่มียาอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาป้องกันไม่ให้ชีวิตนี้ ถึงแก่ความตายได้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเราเระมัดระวังเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการแสวงหาปัจจัยสีเราก็จะได้มีเวลามาบําเพ็ญทานศีลภาวนากันเงินทองถ้าเราไม่มีที่จะ เอามาทำทานเราก็หยุดทำทานได้ถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องเก็บเงินทองนี้ไว้เพื่อเป็นการดูแลรักษาร่างกายเพื่อใช้ในการบำเพ็ญศีลบาเพ็ญภาวนาเราก็ไม่ต้องนำเอาไปทำทานที่ให้เอาไปทำทานก็ในส่วนที่มันเกินส่วนที่มันมากเกินไป ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ซึ่งถ้าเก็บเอาไว้ก็อาจจะเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาได้เพราะเวลามีเงินทองก็มักจะทะเลถไลายไปในอีกทางหนึ่งเอาเงินทองนี้ไปใช้ใจ่ายในทางที่เป็นอันตรายเป็นโทษกับจิตใจ เป็นไปซื้อของฟ้่มเฟือยหรือไปเที่ยวไปชมตามสถานที่ต่างๆหรือเอาไปทำทานเพื่อเป็นการบ่ายเบียงจากการที่จะต้องไปปฏิบัติจิตตภาวนาก็อ้างว่าจะไปทำบุญการทำบุญนี้ก็เป็นประโยชน์แต่เมื่อเราได้เข้าสู่ขั้นของการบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้ว การทำบุญนี้ก็จะกลายเป็น อ, อุปสรรคได้คือจะมาเอาเวลาของการบำเพ็ญภาวนาไปดังนั้นถ้าเราอยากที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าในการบำเพ็ญจิตตภาวนาเราก็จะเป็นจะต้องยุติเรื่องของการทำบุญทําทานไว้ก่อนให้เราหันมาทุ่มเท เวล่ำเวลาให้กับการบําเพ็ญจิตตภาวนาเพียงอย่างเดียวทุ่มเทกับการรักษาศีลให้บ่อยสุดนี่คือความเพียรที่เราจะต้องทํากันขั้นต้นถ้าเรายังไม่ได้บําเพ็ญจิตตภาวนาเรายังไม่สามารถบําเพ็ญได้เราก็ต้องทําทางไปก่อน ทำทารักษาศีลไปก่อนจนกว่าเราจะมีกําลังพอที่จะบําเพ็ญจิตตภาวนาได้พอเราบําเพ็ญจิตตภาวนาได้แล้วเราก็ต้องลดเรื่องของการทําบุญให้ทางลงไปให้น้อยลงไปแล้วบําเพ็ญจิตตภาวนาให้มากขึ้นไปจน บำเพ็ญจิตภาวนาเพียงอย่างเดียวเลยยุติเรื่องของการทาบุญให้ทานไว้ก่อนอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันมาเวลาที่ท่านได้เข้าสู่การบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วท่านจะไม่สนใจในเรื่องของการทาบุญให้ทานแล้วนอกจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เช่นมีอาหารเหลืออยู่ก็ทำทานให้แก่ผู้อื่นไปเท่านั้นทำในส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างพระบิณฑบาตอาหาได้อาหารมามากน้อยเพียงไรก็จะเก็บไว้ฉันเท่าที่จเท่าที่ร่างกายต้องการเท่านั้นส่วนที่เกินก็จะทำบุญให้ทานไปทำแบบนี้ทำได้ ทำแบบนี้ไม่เสียเวลาไม่มาก้าวกายกับการบําเพิจิตตะภาวนาพอบินทบาทกลับมาฉันเสร็จอาหารที่เหลืออยู่ก็ยกให้ผู้อื่นไปเอาแต่บาทไปล้างล้างบาทเสร็จก็กลับเข้าที่พักเข้าที่ภาวนาต่อไปไปเดินจงกรมนั่งสมาธินี่คือเรื่องของการ จัดการเวลา่มเวลาจัดการการปฏิบัติของเราให้เหมาะสมกับสถานภาพของเราถ้าเรายังเป็นนักบุญอยู่ยังไม่เป็นนักบวชือยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ภาวนาเราก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานเช่นกาลาว่าดยอดโยมที่บําเพ็ญกัน ตามหมู่บ้านที่มีพระไปบิณฑบาตก็จะมีการใส่บาตรทุกวันทุกวันแล้วก็มีการทำบุญตามประเพณีตามเวลามีพระป่าก็ทำพระป่ามีกระถินก็ทำกระถินมีงานอะไรก็ทำไปแล้วก็รักษาศีลห้าไปวันพระก็ไปวัดไปรักษาศีลแปด ไปฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาเกิดความรู้วิธีบําเพ็ญจิตตภาวนาแล้วก็ฝึกหัดทำจิตตภาวนาในวันพระวันที่ไปอยู่วัดไปถือศีลโยโบสดฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์การสวดมนต์ก็เป็นการฝึกการเจริญสติเพื่อทําจิตใจให้เป็นสมาธิเพราะเวลาสวด ใจก็จะไปคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ได้จะไปคิดถึงเรื่องงานการต่างๆเรื่องอะไรเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ก็จะคิดไม่ได้พอสวดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็เย็นใจก็จะสบายก็จะเห็นคุณค่าของการเจริญสติเห็นคุณค่าของการบาเพ็ญจิตตภาวนาก็จะเกิดมีศรัทธา มีวิริยะมีความอุตสาหะที่อยากจ ะ, จะเจริญจิตตะภาวนาเพิ่มมากขึ้น<ม>ก็อาจจะอยู่วัดเพิ่มจากวันหนึ่งอาทิตย์ละวันก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันหรือสามวัน<ม>แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ภารกิจหน้าที่ที่จะสามารถดลดละลงได้มากน้อยเพียงไรแต่พอถ้าได้เห็นความสําคัญ ได้เห็นผลของการบำเพ็ญจิตตภาวนาว่ามีความสุขมากกว่าผลที่ได้จากการทำมาหากินหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเกิดมีความยินดีที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาเพิ่มมากขึ้นไปตามลแบบําดับแล้วในที่สุดก็จะเปลี่ยนจากนักบุญ มาเป็นนักบวชได้พอเป็นนักบวชแล้วก็จะทุ่มเทวลา่ำเวลาชีวิตให้กับการบําเพ็ญจิตตภาวนาจะคอยควบคุมจิตใจด้วยสติตั้งแต่ตื่นจนหลับจะใช้การสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้จะใช้การบริกรรมพุทโธไปก็ได้บริกรรมธ ร, รมโมสังโฆไปก็ได้จะท่องพระสูตรไปก็ได้ แล้วแต่จะถนัดหรือจะใช้การเฝ้าดูร่างกายไปก็ได้ดูร่างกายเฝ้าดูร่างกายไปทั้งวันอย่าให้ใจไปจากร่างกายให้อยู่คู่กับร่างกายไปเวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าทําอย่างนี้ได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เป็นหนึ่งได้เป็นเอกาตารมเป็นอุเบขาได้ มีความสุขที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ถ้าได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะเบื่อกับความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆไปความสุขที่เคยได้จากคู่ครองจากทรัพสมบัติจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆก็จะไร้ความหมาย จะไม่มีแรงที่จะมาดึงดูดให้ใจไปสวงหาความสุขแบบนั้นอีกต่อไปก็อยากจะหาความสุขที่ได้จากความสงบให้มีเพิ่มมากขึ้นไปก็จะทุ่มเทแย้าเวลาให้กับการบำเพ็ญจิตตภาวนาคือส ม, มถะภาวนาในเบื้องต้นไปให้จิตสงบให้บ่อยให้มาก ให้อยู่ให้นานไปเรื่อยๆแล้วเวลาออกจากสมาธิออกจากความสงบมาก็จ ะ, จะเจริญปัญญาเพื่อที่จะใช้ปัญญาเป็นผู้รักษาความสงบที่ได้จากสมาธิให้คงอยู่ต่อไปด้วยการทำลายาสิ่งที่จะมาทำลายความสงบของสมาธิ ก็คือกิเลสตัณหานี่เองคือกามัตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาที่จะเกิดตามมาเวลาที่จิตออกจากสมาธิออกจากความสงบถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่สามารถที่จะทําลายกามัตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาได้ถ้าทําลายไม่ได้ความสงบ ที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปก็จำเป็นจะต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่เท่านั้นถึงจะได้ความสงบใหม่อย่างนี้ก็เรียกว่ายังอยู่ในขั้นสมาธิอยู่แต่ถ้าสามารถทำลายตันหาที่จะมาคอยทำลายความสุขที่เกิดจากความสงบได้ความสุข นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกลับเข้าไปในสมาธิการมีปัญญาจึงจะจึงสำคัญอย่างมากเพราะจะสามารถรักษาความสุขความสงบที่ได้จากสมาธินี้ให้อยู่ต่อไปได้โดยไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่แล้วถ้าสามารถทำลายปัญหาความอยากทั้งหลายให้หมดไปได้ ทุกครั้งที่ตัญหาเกิดขึ้นก็สามารถยับยัง้งทำลายมันได้ต่อไปก็จะไม่ต้องไปหาความสุขจากการบำเพ็ญจิตตะภาวนาไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีตัวที่จะมาทำลายความสงบความสุขที่ได้จากการบำเพ็ญจิตตะคือสมะถะภาวนา นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญเพื่อที่จะกําจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจกําจัดเหตุที่จะทำให้จิตจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่ก็คือต้องกําจัดตัณหาทั้งสามการมตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ ภาวะตันหาคือความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้คือสิ่งที่ปัญญาจะเป็นผู้ทำหน้าที่สมาธิไม่สามารถทำลายตันหาได้สมาธิเป็นเหมือนหินทับยาเป็นเหมือนหินทับตันหาไว้ไม่ให้ทำงาน แต่เวลาออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็จะออกมาเพ่นท่านมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่จิตใจต้องใช้ปัญญาเข้ามากำจัดปัญญาก็ต้องเห็นตายรักนี้เองต้องเห็นว่าสิ่งที่จิตใจไปวุ่นวายด้วยนั้นเป็นตายรักษคือเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวมีการเกิดแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปไม่สามารถยับยั้งหรือห้ามไม่ให้เขาเปลี่ยนไปหรือหมดไปได้ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากจะได้เขามา ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราอยู่ภายใต้อำนาจของเรานั่นเองนี่คือปัญญาที่เราจําเป็นจะต้องเจริญต้องพิจารณาให้บ่อยพิจารณาให้มากแล้วใจก็จะ มีกำลังที่จะตัดตันหาความอยากต่างๆได้เช่นเวลาอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถใช้ปัญญาสอนใจว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลาได้เสพก็มีความสุขแต่เวลาใดที่อยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพเวลานั้นจะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ เป็นเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปสิ่งที่เราได้เสพได้ความสุขไปเวลานั้นเราจะมีแต่ความเศรา้าโศกเสียใจถ้าเราไม่มีกามาตนาในสิ่งเหล่านั้นเวลาสิ่งเหล่านั้นไม่มีให้เราเสพเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้มีความอยากจะเสพนั่นเองดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาสอนใจทุกครั้ง ที่เกิดกามตันหาขึ้นมาหรือเกิดภาวะตันหาขึ้นมาหรือเกิดวิภาวะตันหาขึ้นมาต้องใช้ปัยลักษณิจังทุกขังอนัตตามากำจัดเท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดได้อย่างถาวรถ้าเราใช้ปัญญาไปเรื่อยๆปัญญาก็จะมีความแหลมคมขึ้นไปมากขึ้นจะสามารถตัด ตันหาชนิด ต, ต่างๆที่ยังไม่ได้ตัดให้หมดไปได้พอไม่มีตันหาหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วภารกิจของการปฏิบัติก็สิ้นสุดลงเพราะว่าไม่มีอะไรจะต้องทํทลายอีกแล้วสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็ถูกทําลายไปหมดแล้วสิ่งที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็ถูกทาลายไปหมดแล้ว เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกทําลายไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรหลงเหลือให้ทําลายต่อไปภารกิจทางจิตภาวนาของทางศาสนานี้ก็ถึงวาระสาเร็จลุล่วงก็คือได้เสร็จกิจได้ปฏิบัติกิจน้จนสามารถยุติความทุกข์ทั้งหลายทําลายความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปได้ทําลายการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปได้ ผู้ที่ได้ถึงกิจนี้แล้วก็ไม่ต้องมีภารกิจต้องทำอีกต่อไปก็จะอยู่แบบคนสบายไม่ต้องทำงานทาการอยู่เฉยๆมีความสุขตลอดเวลาเหมือนกับไม่ต้องทำงานแต่มีเงินเดือนมีเงินทองให้ใช้สอยอยู่ตลอดเวลาเงินทองก็คือปรมังสุขขังเน่เง ที่จะมีอยู่ภายในใจตลอดเวลาของในใจของผู้ที่ได้ทำลายตันหาทำลายภพชาติทำลายความทุกข์ให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะเหลือแต่ประมังสุขขังเป็นเหมือนเงินเดือนที่ได้รับทุกเดือนโดยที่ไม่ต้องไปทำงานทำการนี่ละคือผลที่เราจะได้รับ จากการที่เราได้พบกับพระพุทธศาสนาจากการที่เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ที่จะสามารถนำพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้และศรัทธาในตัวของเราเองมีความแน่วแน่มีความเชื่อมั่นในตัวของเราเองว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนสำเร็จรุ่งเรืองไปได้แล้วผลก็จะปรากฏอย่างที่ได้แสดงไว้นี้อย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลายึงขอยุติไว้เพียงท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสักรางเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิังตุมหังคิดเป้เมวะสัมมิจตุสัเพปุเรนตุสักาปาจันโทปนะหรโสยถามณีชติ ราสโอยทาสภิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายยสุขีทีขายยโกภวะอภิวาทานิศิตสะนิจังุทธาปจายโนจตารโอธัรมวาทานติอายุวันโสุขาง ความจริงวันนี้ตอนต้นกะจะทำสำหรวจท่หน่อยอยากจะฟังความเห็นจากผู้ฟังมั่งมีแต่พูดคนเดียวก็คิดว่าจะให้เอาไม้นี้ไปพูดกัน คือจะให้พูดในสี่คำถามสี่ห้าคำถามนี่คือหนึ่งจะถามว่ามาจากที่ไหน อ, อยู่จังหวัดอยู่อำเภอไหนสองมาได้กี่ครั้งแล้วประมาณสามได้ผลอย่างไรบ้างสี่อยากจะได้ผลอะไรห้าอยากจะเสนอความคิดเห็นอย่างไร ก็ทำได้อยากจะตอบไหมถ้าอยากจะตอบเดี๋ยวจะให้เอาไม้ไปให้แต่ละคนจะได้เปลี่ยนรสชาติบ้างอา่าใครเอาก่อน เออผมเชลยเออมาจากมาเลเซียครับเอมาที่นี่ก็กี่ครั้งแล้วนะยังทไม่ได้เลยน่าจะไม่เกินสิบครั้งมั้งไม่เออเปินเปินแนะนํำมาที่นี่เออแต่ก็รู้สุดดีอืมเขาโทษนะภาษาทำไม่ค่อยแข็งแรงขอบคุณครับ มาจากบ้านฉางค่ ะ, จ, ะจังหวัดระยองค่ะแต่พื้นเพเป็นคนกรุงเทพค่ะมาประมาณสามปีแล้วค่ะก็ได้ผลอะไรก็จากที่ไม่เคยนั่งสมาธิก็นั่งเป็นแต่ก็ถึงแม้จะได้ความสงบ ไม่ไม่ไม่มาเข่าที่ควรแต่ก็แ้วก็ได้รับความสุขจากสมาธิจนจ <c oughs> นคิดว่าคงคงไม่สามารถหยุดทำได้ <c oughs> แล้วก็คาดหวังอะไรคาดหวังคือข้อคำคะ ความคาดหวังมีแต่ความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยมีแต่ตั้งตั้งแต่มานี่ก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างพอต้องปฏิบัติไปแล้วความเชื่อมั่นก็จะมากขึ้นเรื่อยๆต้องต้องทำต้องทำเองอย่างอย่างน้อยก็อย่างคือเป็นคนที่ที่กลัวมากกลัวผีมากแต่ก็น้อยลงเพึ่อ ฟังฟังคนอื่นเล่าให้ฟังว่าที่กลัวผีเพราะกลัวตายก็ก็ไม่คิดว่ามันเกิดจากความกลัวตายแต่พอยอมตายแล้วแล้วก็พอยอมตายแล้วแล้วก็จากการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะยอมตายแล้วแล้วก็เราเป็นมีความเมตตามากขึ้นความกลัวไม่ว่าจะกลัวสัตว์หรือกลัวผีหรือกลัวคนทําร้ายเนี่ยมันคือความกลัวเดียวกันเพราะว่าไมา่ก็ไม่เห็น ว, วิพาว่ามัน มันเป็นความกลัวเดียวกันมันบอกไม่ถูกมันมันเป็นเพราะเราไม่เป็นมิตรกับเขาเราเราเลยกลัวเขาแล้วเราก็กลัวตายด้วยนี่เป็นเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่เพิ่งเพิ่งผุดขึ้นมาคําถามสุดท้ายข้อเสนอเนะยหนูก็ก็คิดว่าฟั่งเทศเราต้องไปปฏิบัติต้องต้องปฏิบัติทุกให้คือไม่มากก็น้อยแต่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าทําแล้วมันจะ มันก็ลุ้มลุมดันดอนแต่อย่าท้อเพราะว่าก็ท้อไปหลายครั้งแล้วค่ะแต่ไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังที่ได้มาฟังเทศค่ะ <c oughs> มาจากบ้านช้างค่ะ <c oughs> ก็มานี่ได้ประมาณนักสองปีกว่านะคะ <c oughs> แล้วถามว่า ได้อะไรบ้างเน่ยนะครับคือตอนแรกอะที่มาใหม่ๆก็คือว่าฟังเทศหลวงตานะคะแล้วก็หลวงตาเก่าวทึนที่นี่แล้วก็เมื่อก่อนเคยคิดว่าการที่ตื่นเช้ามาไปทํางานแล้วก็กลับบ้านทําหน้าที่เนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์ค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดา ห, หรือเรื่องธรรมชาติพอมาฟังท่านอาจารย์เทศก็บอกว่ามันเป็นความทุกข์ตอนแรกไม่คิดว่ามันเป็นความทุกข์ค่ะ <c oughs> มันเป็นความทุกข์แล้วก็ พอมาถึงนี่แล้วว่าความสุขอย่างอื่นเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าเรายังหาไม่เจอแต่ ว, ว่าตอนนี้ก็คิดว่าความสุขนั้ น, นก็คงจะพยายามหาอยู่ค่ะขอบคุณค่ะมาจากสัตหีบค่ะก็จะมาทำบุญกอดหลวงพ่อทุกเสาร์อาทิตย์ประมาณหนึ่งถึงสองปีแต่ที่ที่นี่ก็มาประมาณสักสามสี่เดือนนะคะ สิ่งที่ได้ก็คือครอบครัวค่ะมีน้องสาวอยู่ที่แคนาดาก็จะเคารพแล้วนับถือหลว ง, งพ่อมากค่ะคือเราก็เป็นห่วงเขาว่าว่าไปอยู่ที่นู่นเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ปรากฏว่าสิ่งที่น้องเขาทาก็คือเขาจะฟังฟังเทศ ข, ของขององค์ท่านตลอดเลยอะ่ะทั้งกลางวันและกลางคืนที่เขาได้เขาก็จะเก่งมากก็คือว่าเขาก็จะไปเดือบทานข้าววันละหนึ่งมือถึงสองมืออย่างเงี้ยค่ะ สมาธิเขาก็จะดีขึ้นจริงๆขอขอกล่าวถึงน้องเพราะว่าน้องก็คือมันก็เป็นหัวใจของเราอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวของหนูเองก็ก็เรียนแบบน้องนะคะก็คือจากฟังเท่ของหลวงพ่อก็พยายามทำทานจากที่ไม่ค่อยได้ทำก็พยายามทำให้ต่อเนื่องและเต็มที่การรักษาศีลก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วต่อเนื่อง เรื่องสมาธิภาวนาก็พยายามทําปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นผลจากการจัด ก, การเรื่องที่ทําทําทานหลวงพ่อจะบอกว่าให้ทําทุกวันก็พยายามทําทุกวันนะคะไม่ได้มาเที่ยวก็จะไปหยอดตู้ไปศาลเจ้าเซ็นเซออะไรอย่างเงี้ยได้มากนะคะจนกระทั่ ง, งสมาธิแต่ก่อนไม่ค่อยได้ตอนนี้คุณแม่ก็จะบอกว่าชอบนั่งหลับตาเพราะการหลับตามันเหมือนมันก็ค่มๆ เ, เข้าภวังอย่างเงี้ยค่ะ แต่สิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อก็เรื่องเรื่องของปัญญาค่ะอยู่บางเะเลค่ะมาที่นี่วันนี้เป็นครั้งแรกค่ะจริงๆต้องขอแบบเรียนตามตรงว่าจริงๆมาเพื่อแบบเหมือนมากระตุ้นตัวเองให้ว่าไม่ให้ตัวเองไม่รู้สึกว่าจะเบี่ยงเบนไปทางอื่นบางครั้งตัวเองบางครั้งแบบว่า กลับไปบ้านหรือบางทีอยากจะพยายามแบบสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างแต่บางครั้งความแบบบางทีมันมีความขี้เกียจนะคะก็อยู่ในตัวบ้างเราก็เลยว่าเออเราอยากสมาเพื่อแบบมากระตุ้นให้ให้แบบใจเราแบบมีสมาธิมีสติมากขึ้นค่ะแค่นี้ค่ะ มาจากศีีราชาค่ะมาประมาณห้าครั้งแล้วอะค่ะแต่ที่มานี้คือปกติปฏิบัติทำแบบเข้าคอสประมาณปีละครั้งนะคะแล้วความเพียรจะน้อยจะขี้เกียจอยู่เรื่อยเวลาได้มาฟังหลวงพ่อเหมือนได้มาเตือนสติอะค่ะก็เลยพยายามมาแล้วก็พาคุณแม่อยากพาคุณแม่ให้คุณแม่ได้ฟังทำด้วย ใช่เนี่ยค่ะออมาจากกรุงเทพนะคะก็มาฟังธรรมพานพระอาจารย์5ปีแล้วค่ะเดือนละครั้งแล้วก็ประทับใจะคะ่ะมากออ็ตอนหลังก็เลยเออรี่ออกจากงานออมาแบบว่าปฏิบัตินะคะแต่ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ ก็เพิ่งจะปฏิบัติแบบเต็มที่จริงๆก็ประมาณหเดือนนะค ะ, ะสิ่งที่ได้จากพระจานี้มากจริงๆคือทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขอีกชนิดนึงก็คือความสงบซึ่งมันดีกว่าที่เราเคยเจอความสุขอื่นๆแล้วมันแปรปรวนเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ได้รู้จักตัวเราว่าตัวเราเป็นยังไงจากเดิมเราคิดว่าเรามีตัวตนแต่พอเรา ฟังทมท่านอาจารย์แล้วเราก็ปฏิบัติเราก็รักษาศีลเจริญสมาธาิทำทานตามที่พระอาจารย์แนะนำไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่พระอาจารย์สอนมันก็เป็นจริงขึ้นมาว่าตัวตนของเราเนี่ยมันไม่มีมันมันค่อยๆพิจารณาแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือไอ้ตัวตนลดลงเนี่ยเราเราก็ากมันความทุกข์มันก็จะลด เพราะว่ามันไม่มีคนทุกข์คือมันก็จะเห็นเป็นระยะๆแต่มันก็ไม่ใช่ว่าได้เห็นตลอดเวลาแต่มันมันมันเหมือนมันพูดไม่ถูกอะแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็มันลึกซึ้งกว่าที่เราเคยคิดว่าเราอ่านหนังสือมาซึ่งพระอาจารย์ก็สอนแต่ตอนแรกๆเนี่ยเราฟังแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเราเข้าใจไปทีละน้อยทีละน้อย มันมันเป็นอย่างที่พระอาจารย์พูดแต่เราไม่สามารถเห็นมันได้นะคะถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็รักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่พระอาจารย์พูดเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมาให้เราได้เห็นมันมันก็แปลกดีค่ะต้องต้องต้อ ง, องลองศึกษาดูเองนะคะก็ต้องกราบกับพระคุณพระอาจารย์ว่าทําให้เห็นอะไรที่เราไม่นึกว่าเราจะได้เห็น ซึ่งเราก็ยังเห็นไม่เยอะอะค่ะแต่ว่าเราก็จะพยายามต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขแบบสงบขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าตัวตนเรามันก็ค่อยๆหายไปทีละน้อยทีละน้อยอค่ะขอบคุณค่ะมาจากกรุงเทพนะคะก็ตามคุณแม่มาค่ะก็คุณแม่พาเข้าวัดก็ได้มาทำบุญได้รู้จักมาทาบุญใส่บา แล้วก็มาฟังเทศพระอาจารย์ก็รู้สึกประทับใจคําเทศของพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกาพระอาจารย์ท่านเป็นคนสมัยใหม่แล้วก็ปกติเวลาฟังพระส่วนใหญ่ก็ท่านก็จะพูดอะไรที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องคือศัพท์ธรรมะเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าพระอาจารย์ก็จะฟังได้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะก็ทุกวันนี้ก็พยายามนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันก็ ก็ดีรู้สึกว่าดีขึ้นบ้างบางทีก็ขี้เกียจบ้างแต่ก็พยายามทําอยู่ค่ะครับก็ปกติก็เออตอนช่วงเช้าวันเสาร์ที่ครับก็คงจะไปทําบุญด้านล่างครับก็ที่มาที่นี่ก็คือรู้สึกว่าสงบมากครับแต่พอบางทีเหมือนออกไปข้างนอกก็ไปเจอกับกิเลสครับแต่บางทีก็แพ้บ้างสู้บ้างครับ สลับกันไปนะครับก็มาที่นี่ได้ประมาณปีขวาแล้วครับประมาณปีขวาก็รู้รู้สึกว่ายังสงบครับแต่ว่าคือออกไปด้านนอก น, นี้ก็เหมือนไปเจอกระทบเยอะเหมือนกันครับก็จะพยายามทำต่อไปครับตามที่พระอาจารย์สอนนะครับ ครับขอบคุณครับปกติก็ฟังเทศหลวงตามหาบัวมาก็นานพอสมควรก่อนจะมาที่นี่ครับก็เพื่อนแนะนำมาครับก็อ่านหนังสือมาว่ามีลุกสิษหลวงตามหาบัวอยู่ที่วัดยานแห่งนี้ครับก็เลยอยากจะมา ก็มาก็รู้สึกสงบแล้วก็มีความสุขความสุขทางใจครับความสุขแล้วก็รู้สึกอยากจะทำบุญให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยครับก็จะทำไปตลอดครับเพราะว่ามัน มีโอกาสได้ทำแล้วก็ต้องทาครับมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาก็ต้องสังสมไปให้ดีที่สุดครับครับผมคือเป็นคนกรุงเทพแต่ไปอยู่หนองคายจ้ะค่ะแล้วก็ได้ไปปฏิบัติธรรมบนบนเขาที่ ท, ท, ที่อุดรเจ้าค่ะ แต่ว่าที่นี่ต้องมาครั้งแรกเจ้าค่ะแล้วก็เคยได้ฟังซีดีของของบาอาจารย์คือครูบาอาจารย์บนนวนเปิดได้ฟังเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าท่านเทศได้แบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจดีเจ้าค่ะแล้วก็มาที่นี่ก็ก็รู้สึกว่าท่านท่านเทศได้แบบแบบง่ายๆอีกเจ้าค่ะแล้วก็แต่ข้าใจดีเหมือนกัน ที่ที่ได้ปฏิบัติที่ที่เพราะนั้นถ้าถามว่าจุดตรงจุดนี้ได้อะไรบ้างก็ของตาเปลี่ยนว่ายังไม่ยังไม่เข้าใจคือยังไม่ไม่รู้ว่าพื้นฐานตรงนี้เกิดจากอะไรเป็นมายังไงแต่ถ้าถามว่าที่ปฏิบัติที่วัดที่ที่เคยปฏิบัตินี่ก็คือจะได้เข้าไปเข้าบรรชามาประจุบัปีแล้วเจ้าค่ะการรัการพระอาจาย์ครับ เพอดีผมเป็นคนโคราชแต่มาทำงานที่แหลมชบังครับปกติก็มาที่นี่ประมาณเกือบสองปีแล้วครับก็สิ่งที่ได้จากนี่คือว่ามาฟังเทศพราอาจารย์เพื่ อ, อามาอกำลังใจในการปฏิบัติเพราะปกติบางทีอยู่บ้านแล้วว่าอะไรมันมันเกิดอาการขี้เกียจไม่อยากปฏิบัติไม่อยากสวดมนต์ น, นั่งสมาธิครัก็เลยต้องมาฟังพระอาจารย์ ไปได้กระตุนตัวเองให้มีความพยายามมากขึ้นครับสิ่งที่คาดหวังก็สักครั้งนึงก็อยากจะนั่งสมาธิได้ความสงบบ้างสักครั้งเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยสงบเลยครับครับผม นี่ก็งดก็ออได้ก็จะครบสี่ปีเหมือนกันผมก่อนเดิมเขาก็ไม่เคยเน้นเรื่องนี้ผมก็ก็คือดื่มแทนน้ำไปเลยพอ ม, มาที่นี่ก็ก็ได้และสิ่งที่คาดหวังก็คือก็จะทำให้ดีขึ้นแล้วก็จะพัฒนาเป็นสินแปดให้ได้ตลอดครับ ธรมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมมาพอๆกับเขาอะค่ะมาด้วยกันก่อนหน้านี้โยมไม่เคยย้อมย้อมผมทาเล็บมาหาพระอาจารย์นี่เลิกได้หมดเลยค่ะถือสีได้มากกว่าห้าข้อแล้วด้วยเจ็ดมั่งแปดมั่งกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบธรมัสการท่านพระอาจารย์ครับผมปูมิลล์ลำเนาอยู่ที่จังหวัดเลยครับ มาทำงานที่กรุงเทพครับมาที่นี่ได้สองปีแล้วแล้วก็สิ่งที่นํามาก็คือคําสอนแล้วก็คําเทศของท่านอาจารย์ครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแล้วก็เดาทางมาได้สองปีแล้วก็สิ่งที่ได้รับกลับไปก็คือทุกครั้งก็คือกําลังใจอย่างทุกวันก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิ มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลาที่ได้รับที่เหลืออยู่ครับาการปฏิบัติทำแล้วก็ได้ฟังได้ขึ้นมาปฏิบัติทำบนเขานี่สองครั้งก็ได้เห็นในสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนสั่งครได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ พระอาจารย์ก็มีความสุขแล้วก็มีความสงบในใจมากครับขอบพระคุณครับกลับนมาสการพระอาจารย์แล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี้นะจ๊ะคะ่ะคือจําได้ว่าครั้งแรกที่มาก็แฟนก็พามาได้เจอพระอาจารย์พระอาจารย์ถามว่าปฏิบัติไปถึงไหนแล้ว ตอนนั้นคือเหมือนเพิ่งเหมือนจริงๆเราก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่สมัยเรียนเจ้ค่ะคือมักจะไปปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้งเมื่อมาเจอพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าครั้งแรกที่ฟังธรรมแบบเต็มๆเนี่ยก็คือตอนนั้นคือเราคือ ท, ที่บ้านน้ำท่วม อาจารย์ก็ก็ได้เทศถึงเรื่องการปล่อยวางแล้วก็ไม่ไม่ยุดติดกับสิ่งของตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันโดนใจเราอะค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็ยึดติดชอบซื้อของพระอาจารย์พูดถึงว่าเปิดไปตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็เต็มไปหมดตอนนั้นก็รู้สึกว่าอืมเราเป็นอย่างนั้นจริงจริงด้วย พอได้ฟังครั้งนั้นก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็นำสิ่งที่ท่านสอนมาคิดแล้วก็ปฏิบัติทำให้จนถึงทุกวันนี้ก็สองปีแล้วเจ้ค่ะก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเจอปัญหาหรือว่ามีสิ่งที่ทำให้มากระทบใจิตใจเราก็ ทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแล้วค่ะครับนมาส ก, การอาจารย์ครับเป็นคนขอนแก่นครับแล้วก็มาทำงานที่จังหวัดระยองได้เจ็ดแปดปีแล้วครับก็เป็นศึกษาก็ตามาครูบาอาจารย์นะครับก็ก็เลยได้ได้พบว่ามีมีอ่า ที่วัดยานก็คือมีพระอาจารย์ที่เป็นเทศสอนเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับจากผมก็ดูจากอินเทอร์นเนต็ตมาก่อนนะครับแล้วก็ก็เลยลองเข้ามาดูนะครับมาก็มาที่นี่ได้ประมาณาห้าหกครั้งนะครับก็รู้สึกว่าดีครับกอ็อย่างน้อยวันเสาร์อาทิตย์เรามีเวลาว่างแล้วก็เข้ามาศึกษาทำากับครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เราก็จะได้มีเวลาปฏิบัติด้วยครับเพราะว่าบางที ที่เราทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติครับก็ครับก็จะพยายามตั้งใจศึกษานะครับแล้วก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นครับผมกรรมนวส ก, การพระอาจารย์ค่ ะ, ะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกโยมมากราบพระอาจารย์ค่ะโยมรู้จักพระอาจารย์จาก Facebook a c e b o o k ชื่อสิทธิยานุสิตหลวงตานะคะแล้วก็โยมก็ ฟังธรรมของท่านอาจารย์หรือว่าอ่านธรรมะจากพี่เศรษยีญาติสิรเหลืองตานีคะที่เขาออกมาโพสขึ้น Facebook แล้วก็โยงก็กดไลค์ไปที่พระอาจารย์สุชาติพิชาโตค่ะเลยจากท่านอาจารย์เลยถือโอกาสมากราบท่านนะคะและมาเรียนรู้ธรรมะจากท่านนะคะ My name is Trevor King I'm from New Zealand. Uh, I'm here to support my wife and her family uh, as she seeks merit in the land of her birth. k o p o n g r ครับผมอยู่บิ้นเบิ้งครับทำงานที่โรงพยาบาลเศรษกิจก็รู้จักพระอาจารย์มาหลายปีแล้วครับสิ่งที่ได้ หลังจากที่มาพบพระอาจารย์ก็คือความมุ่งมั่นในการปฏิบัติคือแต่ก่อนก็รุ่มๆุม ด, นดอนดพอมาเจอคำเทศของพระอาจารย์แล้วเนี่ยรู้สึกมันมีพลังขึ้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ถึงฝั่งมากขึ้นแล้วก็อย่างสังเกตง่ายๆก็คือวันไหนที่เรารู้สึกว่าโมหะมันครอบเยอะเนี่ยพอมาฟังธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยจิตมันจะสงบลง การเจริญสติในชีวิตประจําวันการที่จิตอยู่กับพุทธโธเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ดีขึ้นและเห็นกิเลสได้ชัดขึ้นซึ่งบางครั้งก็ต่อสู้กิเลสได้บางครั้งก็ต่อสู้กิเลสไม่ได้แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือว่าดีขึ้นเป็นลําดับครับความมุ่งมั่นที่หรือว่าเป้าหมายที่ที่วางไว้ก็คืออย่างน้อยเนี่ยชาตินี้เราเรบ ต้องทำให้ได้คือการเป็นภริยาบุคคลซึ่งก็คิดว่าจะเต็มที่เพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาในไห น, ไหนก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอะครับการบนมัาการครับร ก, บบการบรรณาการอาจารย์เจ้าขาอโยมอยู่พื้นที่อยู่ดอนแล้วก็มีมีครอบครัวที่กรุงเทพแล้วก็อยู่กรุงเทพตลอด เพิ่งมากราบพระอาจารย์ได้สองปีนะฮะ่ะครั้งแรกก็รู้จักจากคุณออสเพรสเดนค่ะที่พามาฟังเทศพระจานก็เกิดความ เ, เข้าใจในที่พระอาจารย์เทศง่ายคำพูดง่ายๆกว่าที่เคยได้มาแล้วไม่เคยปฏิบัติทำเลยมีแต่ทำบุญกับหลวงตามมาตลอดนะฮะแล้วหลังจากที่มากราบพระอาจารย์ก็ มีความศรัทธาก็มาใส่บาตรพระอาจารย์เสาทิ์กับสามีนะคะจากกรุงเทพแล้วก็พระอาจารย์เทศให้ว่าต้องทำปฏิบัติธรรมหรือว่าทำอะไรที่เป็นทางทำให้เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีก็พยายามทำเพราะว่ายังทำงานอยู่นะะก็มีการ อ, อ, อดอาหารเย็นจากหนึ่งวันก็เป็น สามวันสองสองวันแล้วก็สามวันนะฮะเพราะว่ามีกิเตุทางด้านนี้มากก็พยายามทำแล้วก็เออบางก็จะตั้งไว้ว่าอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงปฏิบัติธรรมทางนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหรือว่าสวดมนต์ไปแล้วแต่กําลังของเราเพราะว่าทำงานนะคะก็กขอบคุณอาจารย์ที่เมตตาให้ทางทำแก่ครอบครัวเราค่ะ วางแผลไปจะจับปลาได้ยู่ตัวก็ดีใจที่ทุกคนได้มีโอกาสได้แสดงได้พูดจะได้รับทราบกันว่าการสื่อสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนี้ได้ผลมากน้อยเพียงไรนะหรือว่าควรจะปรับปรุงหรือควรจะพัฒนา อย่างไรต่อไปการที่ได้ยินได้ฟังว่าพูดไปแล้วมีคนฟังแล้วมีคนเอาไปทำประโยชน์ได้ก็จะทำให้มีกำลังใจที่อยากจะพูดต่อไปเพราะถ้าพูดแล้วเหมือนพูดกับกําแพงมันก็ไม่รู้จะพูดไปทาไมงั้ก็ขอให้พยายามศึกษาไปเรื่อยๆเพราะว่า การฟังธรรมนี้ในแต่ละครั้งมันก็อย่างที่ที่พูดกันจะได้กำลังใจจะได้ธรรมะมาคอยเตือนสติให้เราได้ปลุกตัวเราเองปลุกความภาคเพียนของเราให้ลุกขึ้นมาให้บำเพ็ญต่อไปได้อย่างสมัยที่ศึกษาอยู่กับหลวงตาท่านก็พยายามเรียกพระมาอบรมอยู่เรื่อยๆช่วงระยะที่ไปแรกๆตอนนั้นท่านยังแข็งแรง ไม่มีภารกิจทางด้านญาติโยมมากท่านจะเรียกพระมาประชุมครั้งละทุกสี่ห้าวันก็จะเรียกมาอบรมครั้งหนึ่งเวลาที่ได้ฟังเทศฟังธรรมของท่านเสร็จแล้วมันจิตใจมันมีกำลังตามปกติถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมบางทีมันจะไม่มีความเพียรมากพอสี่ทุ่มห้าทุ่มก็จะพักแล้ว แต่ถ้าวันไหนได้ฟังเทศฟังธรรมบางทีก็จะกลับมาเพียรต่อได้อีกหลายชั่วโมงเนือการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการปฏิบัติท่านบอกว่าสําคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติด้วยซ้ําไปเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมฟังเทศไม่ได้รู้จักแนวทางของการปฏิบัติถึงแม้ว่าจะมีความเพียรปฏิบัติมากมายขนาดไหนก็ตามก็จะอาจ ปฏิบัติไม่ถูกทางได้ก็จะไม่สามารถบรรลุถึงผลที่ต้องการได้แต่ถ้ามีการได้ยินได้ฟังทำอยู่เรื่อยๆก็จะได้รู้จักทิศทางที่จะต้องบำเพ็ญจะต้องเดินไปรู้ว่าตอนนี้ตนเองอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่เพราะในการปฏิบัตินี้จะมีหลุมพรางไหว้คอย ดักผู้ปฏิบัติอยู่ให้ติดกับอยู่ตลอดระยะทุกขั้นตอนถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาแล้วก็มักจะติดกันเช่นพอถึงขั้นสมาธิก็จะติดอยู่ที่ขั้นสมาธิจะไม่รู้จักการออกมาทางปัญญาเพราะจะไม่รู้จักวิธีเจริญปัญญาเวลานั่งสมาธิจิตสงบก็มีความสุข พอเวลาไม่มีออกจากสมาธิพอจิตวุ่นวายก็กลับเข้าไปในสมาธิจะไม่รู้จักใช้ปัญญาดับความวุ่นวายก็จะติดอยู่แต่ขั้นสมาธิแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยเตือนคอยสอนให้เวลาออกจากสมาธิมาแล้วต้องรู้จักคิดไปในทางปัญญาบ้างคิดในเรื่องของอนิจจังคือความไม่เที่ยงให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามัน เป็นของชั่วกราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายของเราก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปนอกจากร่างกายของเราแล้วก็ร่างกายของคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยคนที่เรามีความผูกพันด้วยก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเช่นร่างกายของบิดามารดาปู่ย่าตายาย ของสามีของภรรยาของบุตรธิดาของญาติสนิทมิตรสหายก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเราหมั่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของทุกๆคนเวลาที่เกิดเหตุการขึ้นมาใจของเราก็จะไม่เสียหลักจะไม่เสียอกเสียใจเพราะเราจะมีปัญญาคอยประครับประครองรักษาใจ เพราะว่าเราได้ฝึกซ้อมเตรียมใจไว้รองรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพอถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็จะไม่วุ่นวายใจเราก็จะอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆได้เช่นเดียวกับของซบสมบัติเข้าของเงินทองลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามีเจริญย่อมมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเศร้าโศกเสียใจเราก็ต้องไม่ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นหรือเราต้องไม่ยินดีไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาให้ความสุขกับเราเช่นเราอย่าไปผูกความสุขของเราไว้อยู่กับลาบยศสรรเสริญ อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะให้เรามาผูกความสุขไว้กับความสงบของใจจะดีกว่าเพราะความสงบของใจนี้ไม่มีวันจากเราไปเราสามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาแต่ความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้เขามีวันที่จะจากออกไปแล้วเราไม่สามารถที่จะดึงเขากลับมาได้ ไม่เหมือนกับความสงบทางใจซึ่งในเบื้องต้นก็อาจจะมีมามีไปถ้าเราขี้เกียจเราก็จะไม่มีความสุขทางใจแต่ถ้าเราขยันภาวนาอยู่เรื่อยๆเราก็จะสร้างหรือผลิตความสุขทางใจให้ปรากฏขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะสามารถผลิตให้มีอยู่กับใจเราไปได้ตลอดเวลา แล้วก็จะไม่มีวันที่จะจากเราไปได้การจากจากของสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่ความขี้เกยียจของเราเท่านั้นเองที่เราไม่ขยันภาวนากันหรือถ้าเราภาวนาถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็จะไม่จากเราไปเลยเพราะปัญญานี้จะสามารถรักษาความสงบสุขนี้ให้อยู่กับเราไปชั่วนิรันดร์แต่ความสงบที่ได้จาก ระดับของสมาธินี้ยังมีวันที่จะเสื่อมหมดไปได้นี่คือเรื่องของปัญญาที่เราควรที่จะฝึกกันเวลาที่เราออกจากสมาธิแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สอนเราก็อาจจะเผลอพิจารณาจนไม่มีเวล า, าพักผ่อนก็ได้พิจารณาแล้วก็เกิดความฉลาดความรู้ก็ก็อยากจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พอพิจารณาไปเรื่อยๆก็จะเลยเถิดไปแทนที่จะสงบก็กลับเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนที่ก็ได้ถ้าตอนนั้นก็ถือว่าหลงไปติดอยู่กับการคิดปุงแต่งมากจนเกินไปคิดไปในทางปัญญาแต่ไม่ได้เป็นปัญญาเป็นสังขารที่มีติเลสตัณหามามาผลักดัน ดังนั้นถ้าเราพิจารณาทางปัญญาแล้วจิตไม่สงบจิตเริ่มฟุ้งซ่านแล้วเราก็ต้องหยุดการพิจารณาทางปัญญาแล้วกลับเข้ามาทำสมาธิทำใจให้สงบก่อนเพราะว่ากำลังของสมาธิหรืออุเบกขาที่กดกิเลสตันหานั้นมันหมดไปกิเลสตันหาจึงเข้ามาเป็นผู้ผลักดันในการคิดปรุงแต่งของเราแทนที่จะเป็นตันหาก็จะกลายเป็นสมุ ท, ทยัย แทนที่จะเป็นแทนที่จะเป็นปัญญาก็จะกลายเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นตัญหาไปถ้าพิจารณาแล้วแทนที่จิตจะสงบแทนที่จิตจะปล่อยวางกลับมาวุ่นวายกลับมาวิตกกังวลอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ได้เป็นปัญญาแล้วเราก็ต้องหยุดแล้วกลับเข้ามาทำสมาธิพักใจก่อนมาชาร์ตแบตใหม่มาดึงเอาอุเบกขากลับคืนมาให้ได้ก่อน ถ้าใจไม่เป็นอุเบกขาแล้วถ้าไปพิจารณามันก็จะเป็นการพิจารณาไปในทางของตัญหาความอยากแต่ถ้าใจเป็นอุเบกขามันก็จะพิจารณาไปตามหลักของเหตุผลเป็นไปตามความเป็นจริงดังนั้นการเจริญปัญญาเราก็ต้องสังเกตดูว่าเราเจริญปัญญาหรือว่าเรากําลังเจริญปัญหา เพราะว่าทั้งปัญญาและตัณหานี้ก็ใช้ความคิดปรุงแต่งเป็นเครื่องมือเหมือนกันคิดไปในทางปัญญาก็ต้องคิดไปในทางปล่อยวางคิดไปในทางตัณหาก็จะเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่จะเป็นจะต้องมีผู้สั่งสอน ผู้คอยบอกทางถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยหนังสือธรรมะของท่านหรือของพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ก็อาจจะช้าหน่อยสู้ได้ยินได้ฟังจากปากไม่ได้เพราะว่าถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่ามีปัญหาก็สามารถถามได้เลยอย่างหลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าในขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติของท่าน ท่านก็ไปติดอยู่กับแสงสว่างของจิตใจแล้วว่าวันหนึ่งปรากฏว่าจิตของท่านนี่สว่างสวยมากแล้วก็มีปรากฏคำขึ้นมาว่าจุดที่เป็นจุดเป็นต่อมอะไรอันนั้นเป็นเป็นตัวของพบของชาติที่ไหนมีจุดมีต่อมที่นั่นมีพบมีชาติเป็นคำปรากฏขึ้นมาภายในใจของท่าน ท่านก็ไม่เข้าใจความหมายอันนี้ว่าไอ้จุดไอ้ต่อมนี้คืออะไรท่านบอกว่าถ้าหลวงปูม่ม่นมีชีวิตอยู่ซึ่งตอนนั้นท่านได้เสียไปแล้วถ้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านฟังหลวงปูม่ม่นก็จะได้ชี้บอกเลยว่ามันเป็นอะไรและสามารถที่จะชี้บอกให้ท่านแก้ปัญหาปิศนาธรรมนี้ได้อย่างง่ายดายและร ว, วดเร็วแต่ เนื่องจากไม่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเขารบที่เชื่อฟังอย่างหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้ผ่านไปแล้วท่านตายไปแล้วไม่นานท่านก็เลยต้องแบกปริศนาธรรมนี้ไปพิจารณาอยู่เกือบสามเดือนด้วยกันตัวในที่สุดท่านก็ได้คาตอบตอว่าก็คือไอตัวแสงสว่างนี้เองไอตัวแสงสว่างนี้ก็คือตัวอวิชชาตัวก่อภพก่อชาตินี้เองแล้วในที่สุดท่านก็พิจารณา ด้วยปัญญาด้วยใจรักเพราะไอ้ตัวแสงสว่างนี้ท่านก็บอกว่ามันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันมันไม่ได้สว่างตลอดเยอะเวลามันมีเวลาที่มันเสื่อมลงมาแล้วเวลาไม่รู้ตอนนั้นก็จะไปดูแลรักษามันไปพยายามรักษาให้มันสว่างกลับขึ้นไปเหมือนเดิมก็เลยทำให้ต้องมาดูแลรักษากิเลสตัณหาโดยไม่รู้สกตัวทนบอก ตอนหลังก็ได้หลักของปัญญาคือพิจารณาตายรักถ้าสิ่งใดมีการเจริญนับมีการเสื่อมสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดตไปอยากให้มันไม่เสื่อมพอท่านเข้าใจหลักนี้ท่านก็ปล่อยพอปล่อยปั๊บไ อ, ไอสิ่งที่เป็นปิศนาตรงนี้ก็ถูกทำลายไป กระจายไปหมดท่านบอกเหลือแต่ความว่างที่ไม่มีวันเสือ่อมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็จะง่ายจะเร็วจะไม่หลงทางถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี้ปฏิบัติไปตามลาพังนี้ <c oughs> มักจะหลงทางกันหรือมักจะติดติดกับของกิเลสตัณหา เมื่อว่าขั้นใดขั้นหนึ่งขั้นทำทานก็จะติดอยู่กับการทำทานขั้นรักษาศีลก็จะติดอยู่กับการรักษาศีลขั้นสมาธิก็จะติดอยู่กับสมาธิขั้นปัญญาก็จะติดอยู่กับขั้นปัญญาได้ถ้าไม่มีใครมาคอยกระทุ้งมาคอยเตือนว่าทำเหล่านี้เป็นเพียงเหมือนขั้นบันไดที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปตามลำดับ บันได้เขามีไว้สนับสนุนขั้นแรกไว้มีไว้สนับสนุนขั้นที่สองขั้นที่สองก็มีไว้สนับสนุนขั้นที่สามเหมือนกับการเรียนหนังสือก็เรียนจบปหนึ่งแล้วก็ต้องขึ้นปสองไม่ใช่เรียนซ้ําชั้นอยู่อย่างนั้นมาเป็นปีๆเรียนมากี่ปีก็ยังอยู่ปหนึ่งอยู่อย่างนั้นเ้าวัดมากี่ปีก็ยังทําบุญใส่บาตรอย่างเดียวยังไม่รักษาศีลยังไม่ภาวนา อย่างนี้เรียกว่าไม่เจริญก้าวหน้าติดอยู่กับขั้นแรกพอขึ้นขั้นที่สองก็ไปติดอยู่กับการรักษาศีลจะไม่ทำอย่างอื่นอันนี้ต้องพยายามศึกษาแล้วก็พยายามปฏิบัติผักตัวเองให้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นการที่ได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่าเสมอพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่า เป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมะ ส, สวังเอตัมมังกัลมุตตะ ม, มังเพราะอา น, นิสงส์ที่เกิดจากการฟังธรรมนี้ก็มีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ถ้าสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วพอเราได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับ สามจะช่วยกำจัดความสงสัยในบางเรื่องบางข้อหรือทุกเรื่องทุกข้อได้สี่จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องห้าจะทำให้จิตใจผ่องใสมีความสงบนี่แหละคืออนิสง์ผลประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นมงคลเพราะจะนำพาให้ชีวิตจิตใจของเรานั้น มีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมีความวุ่นวายใจน้อยลงไปดังนั้นก็ขอให้เราทำทั้งสองส่วนฟังธรรมด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยถ้าฟังเพียงอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลเพราะผลจะต้องเกิดจากการปฏิบัติแต่การปฏิบัติโดยไม่ฟังก็อาจจะปฏิบัติแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูก ผลก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้างแต่ถ้าฟังแล้วรู้แล้วว่าวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแล้วนำไปปฏิบัติก็จะได้ผลและจะไม่ต้องมาเสียเวลามาแก้ความผิดนี่คือเรื่องของการดำเนินทางของพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้มีอยู่ สขั้นตอนด้วยกันคือขั้นตอนที่หนึ่งให้ศึกษาพราะทำคาสอน 2. ให้นําเอาคําสอนที่ได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติจนถึงขั้นที่3ก็คือปฏิเวทได้บรรลุผลของการปฏิบัติพอหลังจากที่ได้บรรลุแล้วก็ให้เอาความความรู้ที่เราได้บรรลุจากการบรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป เพื่อจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่ที่การมาสร้างถาวรวัตถุต่างๆถาวรวัตถุนี้ไม่ได้สามารถที่จะสอนให้คนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่สามารถสอนให้คนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ต้องเกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการบรรลุธรรมเท่านั้นที่จะทําให้มีความสามารถในการที่จะเผยแผ่สั่งสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ตามให้อยู่ไปกับโลกไปได้นานๆมีคําพูดที่บอกว่าตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติสมควรแก่ทําอยู่ ตราบนั้นโลกจะไม่ปราศจากพาาระอรหันต์พาาระอรหันต์จะมีอยู่คู่กับโลกไปเรื่อยๆถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโ น, ปป น, โนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานเป็นที่พึ่งของโลกไปนานๆก็ขอให้เรามา ศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุ ธ, ธรรมกันแล้วเอาความรู้ที่เราได้รับจากการบรรลุ ธ, ธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุกันต่อไปนี่แหละคือวิธีที่จะทำให้ศาสนาพุทธมีอายุยืนยาวนานซึ่งเป็นการ กระทำมาตั้งแต่เริ่มต้นสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ใหม่ๆก็ทรงประกาศพระธรรมคําสอนพอสอนแล้วก็มีผู้นับนําเอาไปปฏิบัติแล้วก็บรรลุแล้วก็เป็นผู้มาช่วยเผยแผ่สั่งสอนแทนพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการกระทำอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ดันั้นขอให้พวกเรา ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเนื่องศึกษาปฏิบัติบรรลุผลน่าเผยแผ่ทำรรยิ่งกว่าการมาสร้างถาวรวัตถุต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่ไม่ได้ปฏิเสธไม่ให้สร้างเพียงแต่ว่าให้สร้างเท่าที่จำเป็นตามที่จำเป็นก็คือเพื่อไว้ใช้สอยในในภารกิจของการศึกษาและการปฏิบัติและการเผยแผ่เท่านั้นอย่าไป สร้างแบบวิจิตพิสดารยิ่งใหญ่โตมโหฬารเพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นตัวของศาสนาตัวของศาสนาอยู่ที่ใจของผู้ที่บรรลุธรรมผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ก็จะต้องปฏิบัติผู้ที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ต้องได้ศึกษาพระธรรมคําสอนก่อนนี่เองดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปหลงกับการสร้างถาวรรวัตถุกันมากจนเกินไป ขอให้เรามาทุ่มเทให้กับการศึกษากับการปฏิบัติกับการบรรลุและกับการเผยแผ่ธรรมกันจะดีกว่าแล้วาศาสนาของเราก็จะอยู่คู่กับพวกเราและลูกหลานของเราต่อไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานก็ขอฝากคติธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปค่ายควรนพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขในทางธรรมที่จะตามมาต่อ ไปเทินคิดว่าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาน ะ, ะใครอยากจะกลับก็กลับได้ถ้าใครยังอยากจะมาถามอะไรก็เข้ามาได้ถามได้เลยครับจะดูว่าที่ชายสบายไมทางด้า เ, เพื่อผัดผัดหายใจแล้วมันมีสชงสต็ปทำให้ตอนนี้พูดเล็กพูดไม่ออกในว่าจะวางใจไหมแต่ฟังอะไรเข้าใจไหมเองมีที่วางใจว่าว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นใจร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นเหมือนคนขับร่างกายเป็นเหมือนรถรถมันก็ต้องเสียไปตามวาระของมัน ซ้ำได้ก็ซ้ำซ้ำไม่ได้ก็อยู่กับมันไปจนกว่าจะอยู่ไม่ได้ก็แยกทางกันไปไม่ใช่เป็นกับเราคนเดียวเป็นกับทุกๆคนแต่เดี๋ยวเราเราต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนกันกูบาอาจารย์ท่านก็เป็นเหมือนกันแต่ใจท่านไม่วุ่นวายไปกับมันเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นมันแยกเราออกจากมันเราเป็นผู้คิดผู้สั่งผู้รู้ร่างกายร่างกายมันไม่รู้อะไรเหมือนรถยนต์มันไม่รู้ <c oughs> เวลายางแตกมันไม่รู้ว่ายางแตกแต่คนขับรู้คนขับปวดหัวแทนแทนรถรถย์ใจก็มาปวดหัวแทนร่างกายที่เราทุกข์เพราะเราอยากจะหายอยากกลับมาเป็นปกติความอยากนี้แหละที่จะทำให้เราวุ่นวายใจเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าอยากเราได้หรือเปล่าถ้าอยากเราไม่ได้ก็ต้องตัดความอยากนั้นทิ้งไปไม่เช่นนั้นมันก็จะทุกข์ไปทุกวัน แต่ถ้าเราตัดปัปแล้วอยู่กับมันได้ก็อยู่กับมันไปใจเราไม่ได้เป็นอะไรใจเราก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนตอนที่มันยังไม่เป็นเรายังสามารถมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสได้เหมือนกับไม่เป็นอะไรทาใจให้เราสงบแล้วหยุดความอยากให้มันหายเท่านั้นเองถ้ า, จ, าจะให้หยุดก็ต้องมองความจริงว่ามันรักษาได้หรือเปล่ า, ล า, าก็ทาต่อไป ก็นั่งอย่างนี้แหละหน้าท่าไหนก็ได้นั่งไม่ได้ก็นอนก็ได้ก็นนจะใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือจะท่องพุโทโธไปก็ได้หรือจะสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ก็สำคัญอย่าไปคิดถึงเรื่องร่างกายอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นเวลาสวดเวลานั่งนี่ให้อยู่กับเรื่องเดียวเรื่องที่เรากำลังกำหนดไว้เพื่อให้เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองพอเราลืมแล้วใจเราก็เบิกบาน เพราะว่าไม่มีความอยากถึงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเอง เ, อ, งงเ อ, ออเออเออเออเออเออหรือถ้าจะคิดถึงมันก็ต้องคิดถึงความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละจะไปบังคับมันได้อย่างไรออถ้าบังคับได้ทุกคนก็ไม่ต้องตายกันเลย <S <S ไม่ต้องเจ็บกันเลยมันบังคับไม่ได้ ถึเวลามันก็จะเป็นไปตามเรื่องของมันเราไม่ได้เป็นเสี้ยอย่างเราไปกลัวทําไมเราไปหลงที่ว่าเราเป็นมันท่านั้นเองปัญหาอยู่ตรงนี้อนั่งสมาธิแล้วมันจะแยกออกจากกันมันจะเห็นว่าใจเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรร่างกายรอรับคําสั่งของผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองนี่ผู้รู้ผู้คิดมันมีตันหาความอยากอยากให้ร่างกายมันดีไปตลอดซึ่งมันขัดกับความจริง เพราะว่าร่างกายมันจะต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนอ่านะแค่นี้แล้วก็สบายใจแล้วบางคนหายเลยหายจากทุกเออคนดูแลต้องคิดยังไงคนดูแลก็เหมือนกันก็ดูไปตามบุญตามกรรมอ่าอย่าไปถือเพราะความอยากนี่มันทำให้ทุกข์ไงแล้วมันหายเปล่ามันก็ไม่หายอยู่ดีอ่า ได้ก็ดูแลไปแต่อย่าไปอยากดูแลตามความจริงถึงเวลากินยาก็กินถึงเวลาไปหาหมอก็ไป<ม>ถึงเวลากินข้าวก็กินหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปให้คิดอย่างนี้ว่าดีแล้วมันไม่เลวกว่านี้เออบางคนนี่ไปไหนต้องให้เขาอุ้มอย่างงี้เออนี่เรายังทำอะไรยังได้เออก็ถ ม, มองคนที่เขายากกว่าเราแล้วเราจะมีความสุขเนี่ย แต่ถ้าเรามองคนที่ก็ดีกับเราแล้วก็จะมีความทุกข์เอ่อใช่เข้าใจไหมธรรมะเนี่ยมีประโยชน์อย่างเนี้ยทําให้ใจเราสบายทําให้ใจเราไม่ไปแบกไม่ไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะร่างกายของเราเนี่ยพระเจ้าจึงสงส อ, สอให้พวกเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นะถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์พราะเกิดขึ้นมันก็อยู่กับมันไปก็ <สะ S 1> เท่านั้นเองเอาแล้วนะออเอาซีดีเป็นฟางอยู่